อาบัดสามตัวปิดไว้สามวันอาบัดสี่ตัวปิดไว้สี่วันอาบัดห้าตัวปิดไว้ห้าวันอาบัดหกตัวปิดไว้หกวันอาบัดเจ็ดตัวปิดไว้เจ็ดวันอาบัดแปดตัวปิดไว้แปดวันอาบัดเกตัวปิดไว้เก้าวันอาบัดสิบตัวปิดไว้สิบวัน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 ภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตเหล่าใดปิดไว้นานกว่าอาบัตทั้งหมดสงจงให้อัคคะสมุทานปริวาทเพื่ออาบัตนั้นแก่ภิกษุนั้น